พุทธวัจน์สวัสดีค่ะดิฉันสรรเสรีนาคคงนะคะก็มาพบกับ อ่าศิลปินท่านนี้ท่านบอกว่าตัวท่านเองน่ะไม่มีธรรมะอืมแต่ดิฉันอ่านเรื่องที่ท่านพูดกับผู้ที่ไป เนี่ยเขียนรูปเลยไปเป็นพนักงานดูดซ่อมดีกว่ามีตรงไหนเป็นธรรมะ เออแต่ว่าเค้าก็มีธรรมะนะแสดงว่าคํา<ท> น่ะเพราะเราก็เห็นการกระทําแหนงเค้าใช่มั้ยค่ะอืมเอ่อส่วนเรื่องของความว่างอันนี้พระพุทธเจ้าสอนๆขึ้นอืม ค่ะนะคะแล้วก็เอ่อท่านก็มีอยู่ตอนนึงค่ะดิฉันชอบมากเอ่อคือท่านฉะนั้นเวลามีคนนัดแนะ เอ่อวิหานดิดิฉันเข้าใจว่าตรงเนี้ยมีธรรมะอะไรบางอย่างที่บอกว่าเวลาอืม ก็ก็เป็นวิธีการดําเนินชีวิตของเขาอ่ะเนาะถ้าดิฉัน นะนี่เป็นพระสูตรที่ได้ตรัสไว้กับภิกษุทั้งหลายแล้วก็ท่านพระมหากัจจานะเนี่ยมาอธิบายขยายความให้ฟังสิ่งที่ล่วงมาแล้วนะอนาคตก็สิ่งใดล่วง เสนาของมาเนี่ยมีเสนาใหญ่นะให้เห็นแจ้งในธรรมไม่ง่อนแน่นใน เห็นแจ้งหรือว่าไม่ง้องแน่นในธรรมปัจจุบันเนี่ยก็คือความที่เห็นปัจจุบันด้วยความเป็นของไม่เที่ยงค่ะเห็น แต่เพราะว่าบางทีเราไปคิดเรื่องอดีตก็มีแต่เวลาคิดเรื่องอดีตมันเป็นปัจจุบันมั้ยเอาพูดไปแล้วก็เดี๋ยวจะงงเอาเป็น ถึงจะถูกครับอันนี้ก็เป็นมีพุทธพจน์ไม่ง่อนแง่นในธรรมปัจจุบันนั่นก็คือเห็นปัจจุบันด้วยความนี่มันเพลินหรือเปล่านี่เพลินไป ทันแค่แต่ถ้าในประโยคแบบเนี้ยเราจะไปมองอีกมุมนึงได้มั้ยอืมเดี๋ยวเย็นๆนี้จะเออมันก็ไม่แน่ มันไม่ว่างอันนี้ถือว่าเราเห็นความไม่เที่ยงได้มั้ยคะเอ่อได้ถ้าก็ชื่อว่าเห็นความไม่เที่ยงกับคุณหมอคนนั้นคือท่านเป็นผู้ใหญ่มากอายุ 90 กว่าแล้วรักษาโรคเก่งด้วยนะคะเอ่อใช่ค่ะพอแล้วอืม พูดถึงเดี๋ยวนี้เท่านั้นจะไม่พูดถึงอนาคตเพราะมันไม่ความตายมรณสติอยู่เรื่อยๆเนี่ยก็จะพยายามที่จะรักษาจิตเนี่ย เป็นโลกอะไรอึ๊กอั๊กขึ้นมาเจอบ่อถ้างั้นถ้าเราตายแล้วถ้าจิตเรามันมีอกุศลนี่มันไม่ได้เรื่องไงงั้นเราจนต้องรีบละอกุศลโดยด่วนนั้นด่วนยิ่งกว่าคน จะไม่สนใจเรื่องอื่นเพราะว่าเรื่องอื่นเนี่ยต้องอยู่ขอขอโทษนะไฟไหม้ผมสักใครสักคนใดคนหนึ่งอยู่แล้วก็ไฟไหม้เสื้อผ้าเค้าด้วยแล้วเราคน ดับไฟก่อนนะครับนี่คือคือคือที่พุทธเจ้าแนะนําให้ฟังแต่ ประเด็นเรื่องนี้อย่าเพิ่งอืมค่ะงั้นเท่ากับว่าคนบางคนถ้าทําอยู่เป็นไปได้เป็นไปได้ๆพฤติกรรม แล้วก็ชอบรับประทานตอนที่มันอยู่ในอ่าสุกขนาดหนึ่งอืมแล้วไปอีกสัก <laughs> ผมจะซื้อกล้วยยังไม่กล้าซื้อทั้งหวีอืมไม่แน่ใจว่าจะ คือก็ไม่ใช่ว่าเราไม่ได้จริงๆนะเราจะมีชีวิตอยู่จนอืมหรือเปล่าอันนี้น่าคิด น่ะแกเราพูดพูดอยู่คิดดูคนเอาคุยอืมเดี๋ยวถูกเสียบชาร์จเครื่องชาร์จอยู่เอ้ยยังถูกปึ้งอีก 6 นาทีเดี๋ยว ถ้าวันนี้วินาทีนี้ 6 นาที 10 นาทีคุณจะต้องมีปัญหาละนะอุบัติเหตุเอ่อพูดถึงโรคปัจจุบันทันด่วนไอ้เส้นเลือดอุด 2 นาทีก็ไปละ อะไรเลยค่ะที่ก็มีนะสตาร์ทในประตูไม่น่าจะทําอะไรอันตรายใครได้ เรามาความตายนั้นจะเป็นเรื่องเล็กเราจะไปถึงความไม่ตายได้ความตายเนี่ยดีแล้วเพราะว่าถ้าเราพูดเราทําความเข้าใจใช่ค่ะเพราะว่าเพราะว่า เรามาทําความเข้าใจเกี่ยวเรื่องความค่ะอืมนะเนี่ยมีสักอืมหรือ ดิฉันอยากจะถามว่าธรรมะที่ค่ะใช่เพราะว่าธรรมะเรื่องมาหยิบยก ถ้าตั้งชื่อรายการนี้ตั้งชื่อรายการนี้อาจจะมีคนไปฟ้อง สคบ. นะคะก็ไม่เข้าใจว่าๆแล้วจะตั้งๆใช่ค่ะท่านเทบูนค่ะ มาฟังกันต่อในวันต่อไปเพื่อให้เกิดความท้าๆไปด้วยกราบค่ะเพลินพานค่ะ SM 106 รายการสรรเสริญสนทนา